ปีพุทธศักราช2495พัรษาที่8ท่านจำพรรษาที่วัดป่าหนองแซงตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบวอัวซอจังหวัดอุดรธานีคณะที่หลวงปู่บัวสิริบุญโนกับหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้พำนักอยู่ที่วัดป่าศรีไพรวันจังหวัดร้อยเอ็ดได้ระยะหนึ่งท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมภรจังหวัดอุดรธานีปรารถนา จะสร้างวัดกรรมฐานที่บ้านหนองแสงจังหวัดอุดรธานีจึงได้มานิมนต์หลวงปู่บัวสิริปุโนโนและหลวงปู่ศีมหาวีโรให้ไปอยู่จําพรรษาเมื่อท่านทั้งสองรับนิมนต์แล้วจึงพาคณะเดินทุดงจาริกจากวัดป่าศรีไพรวันจังหวัดร้อยเอ็ดเดินตามทางรอยเท้าช้างฝ่าป่าดงหนาทึบอันน่าสะพึงกลัวมีเสือชุกชุมหลวงปู่ศีท่านกล่าวย้ําว่าเกือบจะถูกเสือตะปบเอาไปกินก็หลายครั้งผ่านดวงมูล ผ่านมาทางท่าคันโททะลุถึงเมืองลิงอําเภอกุมพวาปีเข้าสู่ตัวจังหวัดอุดรธานีเข้ากราบท่านเจ้าขุนพระธรรมเจดีแล้วจึงเดินทางต่อไปอยังวัดป่าบ้านหนองแสงอันว่าวัดป่าหนองแสงนี้เดิมเป็นที่ที่ท่านเจ้าขุนพระธรรมเจดีมาจับจองไว้เพื่อสร้างเป็นวัดพระกรรมฐานมีเนื้อที่ประมาณห้าร้อยไร่ทางไกลจากบ้านผู้คนท่านดําริว่า มีวัดมันก็ต้องมีบ้านท่านจึงแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วนคือส่วนของวัดสามร้อยไร่แบ่งให้ชาวบ้านทํามาหากินสองร้อยไร่ในขณะนั้นมีชาวบ้านอยู่เพียงสามหลังคาเรือนสถานที่แห่งนี้เป็นที่เที่ยวผ่านไปมาของพระธุดงค์กรรมาฐานเสมอพระกรรมาฐานที่เคยผ่านมาพักคือหลวงปู่ชอบฐานนสโมโวหลวงปู่หลุยจันสารโรหลวงปู่คําดีประภาโสเป็นต้นหลวงปู่ศรี ยังได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังต่อไปอีกว่าสำหรับพระกรรมฐานแล้วมีข้าวก้อนหนึ่งก็อยู่ได้แล้วพระกรรมฐานไม่วุ่นวายกับการกินการอยู่การหลับการนอนพระกรรมฐานมีชีวิตเป็นอยู่เพื่อการชำระศาสางอาสวัตกิเลสภายในจิตใจส่วนเรื่องเกิดแจ่เจ็บตายป่วยไข้ไม่สบายหรือหากว่าจะต้องตายไปด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็ไม่ได้สนใจมากไปกว่า การแสวงหาอัฏฐธรรมตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลวงปูบัวสิริปุนโนท่านฤาษชาติด้วยอตีตังสยานว่าท่านเคยเกิดเคยตายอยู่ที่บริเวณป่าหนองแสงนี้เป็นเวลานานถึงสี่ชาติและชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ท่านจะต้องมาตายณที่แห่งนี้ในอดีตชาติของหลวงปูบัวท่านเคยเกิดเป็นหมูป่าและชาติต่อมาก็เป็นควายป่า ถูกนายพรานผู้มีใจบาปฆ่าตายก่อนจะตายท่านได้รับทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งนายพรานผู้มีใจบาปนี้เที่ยวล่าและฆ่าสัตว์เป็นจํานวนมากไม่เคยก่อสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเขาตายไปได้เป็นผีหาพบใหม่ไม่ได้ได้สมัยกรรมอันเผ็ดร้อนอยู่บริเวณวัดป่าหนองแสงแห่งนี้ที่หลงปูบัวท่านรับนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีเพื่อมาสร้างวัดแห่งนี้ส่วนหนึ่ง ก็เพื่อมาโปรดผีนายพรานตนนี้ให้พ้นจากทุกข์ด้วยวัดป่าน้องแสงสมัยนั้นพระเนนรูปใดขี้เกียจขี้คร้านในการประกอบความภาคเพียรภาวนาหลวงปู่บัวท่านจะบอกให้ผีนายพรานนี้ไปหลอกหลอนพวกพระขี้เกียจขี้คร้านเหล่านั้นด้วยการดึงขาบ้างเข้าฝันในยามนอนบ้างจึงเป็นที่หวาดหวันว่นหวาดกลัวของพระเนนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนท่านก็สามารถสั่งให้ผี ทำตามคำสั่งของท่านได้เสมอหลวงปู่บัวกล่าวว่าแต่สําหรับหลวงปู่ศรีมหาวีโรแล้วสั่งให้ผีไปหลอกผีไม่ยอมทําตามคําสั่งเพียงแค่ผีได้ยินชื่อว่าหลวงปู่ศรีเท่านั้นแหละผีพวกนั้นก็หวาดหวั่นคลั่งคลึงหลวงปู่บัวกล่าวย้ําว่าถ้าผีตรงไหนแข็งแข็งเฮี้ยนเฮ้นต้องให้หลวงปู่ศรีไปปราบหลวงปู่ศรีมีบุญบา ร, รมีเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงทําอะไรเด็ดเดียวสู้ไม่มีถอย การดูว่าบุคคลใดมีบุญวั ส, สนามากน้อยนั้นกำหนดจิตดูจะรู้จะเห็นลำแสงกระแสะของจิตได้อย่างชัดเจนจาแจ้งขณะที่อยู่เสนาสนวัดป่าน้องแสงนี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีและท่านพระจา์อ่อนยานสิริท่านได้เมตตามาเยี่ยมเย็นเสมอสมัยก่อนเสนาสนะจะเป็นกุฏิหลังเล็กๆห้องเดียวมีพระเนนอยู่เพียงสี่ห้ารูปเท่านั้น